เตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวตอนที่135และ136โดยดังตรินถามจิตแพทย์ใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวในรายการโทรทัศน์ว่าการที่ผู้ชายชอบแอบดูผู้หญิงอาบน้ำไม่ถือว่าเป็นโรคจิตแต่เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่าดูท่านว่าไม่สมควรทำแต่ไม่ใช่โรคจิตเมื่อฟังคำตอบนี้แล้วรู้สึกแปลก คือเกิดความสงสัยว่าแล้วอย่างนั้นแค่ไหนจึงเรียกว่ามีจิตปกติคนที่จิตใจปกติน่าจะควบคุมพฤติกรรมทางเพศได้ไม่ใช่หรือหากกล่าวว่าการแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นนี้ก็ต้องนับว่าพวกขโมยชุดชั้นในสาวๆจากราวตากผ้าก็น่าจะปกติด้วยเช่นกันเพราะอ้างได้ว่าชุดชั้นในเป็นสิ่งน่าสะสมน่าชมเชย อยากทราบว่าทางคำวิบากจะถือเกณฑ์ใดตัดสินว่าปกติหรือผิดปกติและพวกนี้จะต้องได้รับผลอย่างไรตอบอันนี้ขอให้ตัดเรื่องถูกผิดเรื่องควรหรือไม่ควรออกไปก่อนที่จิตแพทย์ท่านกล่าวมาก็ไม่ใช่เรื่องเกินทําความเข้าใจยอมรับนะครับธรรมชาติออกแบบให้เรือนกายเพศหญิงมีส่วนโค้งเว้าย้ายวนชวนชมจริง ทั้งเนื้อหนังที่เห็นได้นอกร่มผ้าและของสงวนที่อยู่ใต้ร่มผ้าแม้แต่เพศหญิงด้วยกันก็อยากรู้อยากเห็นว่าของคนสวยเป็นอย่างไรแต่ถึงอยากรู้ก็ต้องเดาเอาต้องจินตนาการเอาเองไปขอดูเฉยๆคงไม่ให้เรื่องของเรื่องอยู่ที่ตรงนี้เมื่อไม่ให้ดูก็ต้องแอบดูเอามันขึ้นอยู่กับว่าความอยากของใครมีกำลังเกินความละอายใจและความอยากนั้น มีสิทธิ์สำลิศผลได้ด้วยโอกาสอํานวยหรือไม่ด้วยกรรมวิบากไม่ได้เป็นตัวทำให้อยากดูความอยากดูเกิดขึ้นจากธรรมชาติของจิตที่ยังหยาดเยิมด้วยราคะของทุกคนหน้าที่ของทุกคนจึงเป็นการตัดสินใจว่าจะทํากรรมว่าด้วยการละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้อื่นหรือระงับความอยากส่วนตนเอาไว้ฉะนั้นว่ากันแค่ที่ตรงนี้ก่อนในทางโลก ใครๆก็ถือกันว่านารีมีรูปเป็นทรัพ์อยากได้ก็ต้องซื้อด้วยของมั่นหรืองานแต่งไม่ใช่ขอดูหรือขอจับกันดื้ออย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าเป็นปกติไห้ที่ผู้ชายทั้งหลายจะอยากดูของสงวนของผู้หญิงอันนี้ต้องตอบว่าปกตินะครับคุณจะไปเรียกพวกแอบดูสาวอาบน้าว่าโรคจิตไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นพวกมโนธรรมต่ำ ไม่รู้จักห้ามใจแล้วก็ไม่เกรงอาญากฎหมายเป็นคนที่สมควรแก่การโดนกฎหมายบ้านเมืองสั่งสอนให้หลาบจําการแอบดูอาบน้ํานั้นที่ในทางกฎหมายถือว่าผิดก็เพราะของรักของสงวนเขาห่วงห้ามไม่ให้ดูอันนี้เป็นการทุกคนเป็นที่รู้กันว่าผลของการถูกแอบดูคือรู้สึกอับอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิงนับว่าเสื่อมเสีย คล้ายขนมราคาแพงเขาวางรอตาไว้ให้ซื้อแต่นี้พวกลอบจะเอาปลายนิ้วปาด จ, จิ้มมาลิ้มเล่นแม้ไม่ถึงขั้นขโมยกันยกถาดก็ต้องกล่าวว่าเกิดความเสียหายขึ้นแล้วหากจับได้เจ้าของขนมก็ต้องเลือดขึ้นหน้าขึ้นเสียงเอาเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายอย่างแน่นอนตามกฎหมายของบางประเทศนี่นะครับการแอบดูผู้หญิงอาบน้าถือเป็นความผิดเล็กน้อยแค่ปรับและตักเตือน แต่บางประเทศและบางเงื่อนไขพิเศษโทษอาจถึงขั้นเจาะตาให้บอดทั้งสองข้างอย่างเช่นในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระราชาคือกฎหมายลองคิดดูว่าถ้าองครักษ์ใดใจกล้าแอบดูพระธิดาของท่านขึ้นมาถูกจับได้จะเป็นอย่างไรอาจไม่ใช่แค่ลูกในตาที่ถูกเจาะให้บอดแขนขามือเท้าอันเป็นอุปกรณ์ช่วยพาไปดู ก็อาจถูกตัดทิ้งแถมท้ายอีกด้วยส่วนในทางกรรมวิบากก็ต้องกล่าวว่าลักลอบทำอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นอกุศลเนื่องจากลงมือกระทำการประหนึ่งโจรร้ายลักลอบดูของลับในเขตหวงห้ามกับทั้งล่อแหลมที่จะอยากต่อความยาวสาวความยืดดูจบแต่อารมณ์ไม่จบบุกเข้าไปปลุกปล้าขึ้นมาศินข้อสามก็ขาดทะลุกันฉะนั้นต้องสรุปว่า การแอบดูอาบน้ําเฉียดกันหรือเชื่อมถึงกันกับการละเมิดศินข้อสว่าด้วยการเมสุมิชฉาจาร์สรุปคือกรรมที่แอบดูผู้หญิงอาบน้ํานั้นเป็นกรรมทางกายฝ่ายทุจริตมินเมตต่อการละเมิดสินข้อสในฐานะเป็นชนวนเริ่มต้นด้วยกําลังใจที่ยังอ่อนอยู่และเมื่อทํากรรมสําเร็จก็อาจเป็นเหตุให้ไฟราคะโหมหือปรับระดับกําลังใจที่ยังอ่อนให้กล้าแข็ง พูดง่ายๆถ้าหน้ามืดพอก็พังประตูก่อคดีข่มขืนกันได้การแอ บ, บดูจึงเป็นต้นทางหายนะทางเพศไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่อย่างใดวิบากหรือผลของการแอ บ, บดูสาวอาบน้ำก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นถ้าแอ บ, บดูแฟนสาวโทษเบากว่าแอ บ, บดูสาวแปลกหน้าถ้าเผอิญเจอช่องโหว่เองโทษเบากว่าพยายามสร้างช่องโหว่ขึ้นมาให้ได้ ถ้าดูแล้วก็แล้วกันโทษเบากว่าพยายามบันทึกไว้ดูต่อถ้าบันทึกไว้ดูคนเดียวโทษเบากว่าตั้งใจไปแจกจ่ายเป็นต้นหากมีกำลังใจที่อ่อนทำแค่หนสองผลผลอาจไม่ชัดเจนนักว่าจะปรากฏเมื่อใดแต่หากมีกำลังใจแข็งกล้าทำบ่อยด้วยความคิดหมกมุ่นเอาจิงเอาจั ง, จงก็มีสิทธิ์รับผลทันตาภายในชาตินี้ โดยมากจะมาในรูปของความเสื่อมไปของสง่าราศีหน้าตาและจิตใจหมองคล้ำดูไม่มีความน่าเกรงใจถูกลดระดับศักดิ์ศรีลงในทางใดทางหนึ่งโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆคือทำให้สภาพชีวิตโดยรวมตกต่ำลงเพียงเพราะใจถูกดึงดูดลงสู่ที่ต่ำผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆถ้าดาราคนหนึ่งหน้าตาสว่าง เข้าวงการได้รับบทพระราชาหรือขั้นต่ำเป็นพ่อพระเอกหลังจากนั้นตัวจริงนอกจอหลงผิดคิดแอบดูซื้อกล้องมาแอบถ่ายผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำบ้านตนจนติดใจอยากทำเป็นประจําวันๆไม่คิดเรื่องอะไรมากกว่าเชิญผู้หญิงมาบ้านเลี้ยงน้ำเยอะๆจนเขาปวดฉี่ต้องเข้าห้องน้ำเมื่อดารารายนี้มีพฤติกรรมโฉดสักครึ่งปีผลที่ออกมา หน้ า, าย่อมมืดมนคนคัดตัวแสดงเรื่องต่อไปเห็นเข้าก็ไม่ให้รับบทพระราชาอีกแล้วต้องเป็นหัวหน้าโจรหรือพ่อผู้ร้ายแทนหากเดิมบุญน้อยหน้าตามืดมืดอยู่ก่อนเป็นทุนยิ่งทํามาหมกมุ่นกับการแอบดูก็ยิ่งมืดคุณสองเพราะของเก่ากับของใหม่บวกกันเป็นทบทวีกลายเป็นคนหน้าเหม็นหน้ารังเกียจและถูกมองข้ามได้ราวกับภ้าคีริ้วสกปรก ถ้าแอบดูประจำไปจนตายกระทั่งมีความตั้งมั่นในภพของนักแอบดูผลที่จะสวยชัดเจนก็คืออัตภาพถัดไปจะโดนดีบ้างอันนี้ธรรมชาติจะมองว่าคุณนิยมเอาเปรียบทางเพศดังนั้นก็จะให้คุณไปครองเพศที่ถูกเอาเปรียบง่ายจะได้รับกรรมอย่างสมน้ำสมเนื้อไม่เฉพาะเรื่องของการแอบดูที่เผลอเหมือนไม่มีอะไรเสียหายนี่นะครับทาอะไรไว้กับผู้หญิงมากๆ ในแบบที่ควรได้สวยผลในอัตภาพของอิทธิเพศก็ต้องไปเกิดเป็นหญิงซึ่งธรรมชาติออกแบบให้เป็นผู้ถูกกระทาไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนทําบาปกันมาในแบบที่ต้องถูกกระทาขอให้สังเกตว่าผู้หญิงบางคนสง่างามเหมือนอยู่ในที่สูงและไม่มีความหยาบช้าใดๆไปแตะต้องได้นั่นก็แสดงว่าเหตุผลของการเป็นหญิงของเธอ เกิดจากความพอใจและสั่งสมบุญเพื่อได้อัตภาพหญิงอันน่าพึงใจส่วนพวกที่ชอบขโมยชุดชั้นในสตรีจากราวตากผ้านั้นอันนี้ขอบอกได้ง่ายๆว่าผิดสินข้อสองว่าโดยอัทินนาทานคือการลักทรัพย์โดยเจ้าของไม่ยินยอมยกให้แต่จะเฉียดหรือเชื่อมถึงการผิดสินข้อสหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับใครขโมยและคิดต่อยอดแค่ไหน เท่าที่ทราบส่วนมากพวกนี้ขโมยแล้วก็แล้วกันไม่ได้จะเอาอะไรต่อคุณจะเรียกพวกนี้ว่าโรคจิตไหมก็ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของแต่ละคนครับว่าแค่ไหนจึงเรียกได้หรือเรียกไม่ได้ว่าโรคจิตสมัยก่อนถ้าใครดมชุดชั้นในให้เห็นเป็นถูกด่าว่าโรคจิตแบบไม่รีรอแต่สมัยนี้ดาราหรือในแบบหล่อเหระดับพระเอกก็มาโชว์ดมกันและคนดูเห็นเป็นมุกจี้้ไป ตามสายตาชาวโลกแต่ละยุคจะกำหนดบรรทัดฐานไว้อย่างไรไม่สำคัญสำคัญคือตามธรรมชาติของจิตแล้วราคะที่เกิดขึ้นย่อมทำให้จิตมืดมนเศร้าหมองลงเสมอและความพอใจก็มักยืนพื้นอยู่บรรการได้สิ่งที่ไม่ใช่ของของตนแสดงให้เห็นว่ากามเป็นเครื่องฉุดจิตลงต่ำจริงๆการแสดงออกถึงความฝ่ต่ำในที่สาธารณะนั้น เผยให้เห็นพบแห่งความตกต่ำในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องรอการแสดงผลที่ชัดขึ้นในภายภาคหน้าด้วยซ้า